เย็บพบเอาไว้กับพบเย็บจุติเอาไว้กับปฏิสนธิเนี่ยนะเย็บเอาไว้กับคติกําเนิดวิญญาณทิติสัตวว่าเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเย็บไม่ให้ออกไปเพราะฉะนั้นใครเนี่ยล่วงตัณหาอันเป็นเครื่องเย็บไว้ได้ในโลกสรุปคําถามว่าใครยินดีแล้วในโลกความหวันไหวของใครไม่มีใครรู้ส่วนสุดทั้งสองแล้วไม่ติดในถ้ำกลางด้วยปัญญาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงแล้วซึ่งตัณหาอันเป็นเครื่องเย็บเอาไว้ในโลก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 ภิกษุนั้นล่วงเสียแล้วซึ่งตันหาอันเป็นเครื่องเย็บเอาไว้ในโลกนะก็สําคัญนะภิกษุมีพรหมจรรย์เพราะการมทั้งหลายคือเห็นโทษในการมแล้วประพฤติมักับพรหมจรรย์เนี่ยนะปราศจากตันหาก็ไม่มีละสมุทัยสัตว์มีสติทุกเมื่อทราบแล้วดับแล้วทราบอริยสัตดับกิเลสไม่มีความหมันไหวด้วยตันหาและทิฏฐิรู้ส่วนสุด ทั้งสองข้างและก็ไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญานี่แหละเรียกว่ายอดของมหาบุรุษมันคําว่ากามก็แบ่งเป็นวัตถุ ก, กามกับกิเลสกามเนี่ยนะคำว่ามีพรหมจรรย์ความว่าความงดความเวน้นเว้นขาดขับไล่เว้กิริยาที่ไม่กระทําไม่กระทําความไม่ต้องความไม่ล่วงแดนความซึ่งความถึงพร้อมด้วยอาสาธรรมเรียกว่าพรหมจรรย์ก็คือไม่ไม่มีพรหมจรรย์นะนะไม่มกมุ่นในกาม อีกอย่างหนึ่งท่านเรียกอริยมรตมีองค์8ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรตมีองค์8นี่แหละเรียกว่าพรหมจรรย์ภิกษุใดเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยมรตมีองค์8นี้ภิกษุนั้นเรียกว่ามีพรหมจรรย์คือผู้มีมรตมีองแปดนี่นะผู้ใดมีมรตมีองค์8ผู้นั้นเรียกว่ามีพรหมจรรย์ เขาเรียกบุคคลว่ามีทรัพย์เพราะทรัพย์คนมีทรัพย์เพราะเขามีทรัพย์อันะมีโภค่เพราะโภคะเรียกกันว่ามียศเพราะยศเรียกว่ามีศิลปะเพราะศิลปะมีศีลเพราะศีลเรียกมีความเพียรเพราะความเพียรเรียกกันว่ามีปัญญาเพราะปัญญาเรียกว่ามีวิชาเพราะวิชาฉันใดพิสูจใดเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยอริยมรตมีองค์8ปพิสูจนนั้นเรียกว่ามีพรหมจรรย์ฉันั้น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 มีราคาไปปราศจากแล้วสละราคะแล้วคายราคะปล่อยราคะละราคะสละคืนราคะเป็นผู้ไม่มีความหิว้วเป็นผู้ดับเย็นแล้วสเสวยสุขมีตนเป็นดังพรมอยู่นี่เรียกว่าผู้ละตัญหาคาว่ามีสติในการละทุกเมื่อเนี่ยนะคำว่ามีสติในการทุกเมือเนะมม่อก็คือมีสติทุกสมัย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 คำว่าพิสูุก็ทำลายทำเจ็ดประการคือสากายทิทิวิจิกิชาสีรพัตะปรามาตมานะทิฐิกิเลสเนี่ยนะารหันตขีนาศพไม่มีความหวั่นไหวเพราะตัณหาไม่มีความหวั่นไหวเพราะทิฐิ <dan ania> ไม่มีความหวั่นไหวเพราะมานะไม่มีความหวั่นไหวเพราะกิเลสไม่มีความหวั่นไหวเพราะกรรม ความวันไว้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือตัหาทิฏฐิมานะกิเลตกรรมย่อมไม่มีได้แก่ไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่ภิกษุคือภาหันตะขีนาศบนั้นความวันไวเหล่านี้ของผ้าหันตะขีนาศบนั้นละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วไม่อาจเกิดขึ้นอีกเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยาน ทนี้มาดูว่าส่วนส่วนสุดเนี่ยนะส่วนสุดเรียกว่าใครที่รู้ส่วนสุดทั้งสองเนี่ยผู้มีปัญญารู้ส่วนสุดทั้งสองก็คือผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเหตุให้เกิดผัสสะเป็นส่วนสุดที่สองเนี่ยนะผัสสะก็กับผัสสะสมุทัยเนี่ยนะผัสสะก็คือเนี่ยผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะความประชุมธรรมสามประการทางทวาร6เรียกว่าผัสสะผัสสะเราเนี่ยมีสลายตระนัเป็นเหตุเกิด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 อายตนาภายในหกเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอายตนาภายนอกหกเป็นส่วนสุดที่สองวิญญาณเนี่ยนับได้ว่าท่ามกลางสากายะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งสกายะสมุทัยเป็นส่วนสุดที่สองความดับสากายะเนี่ยเป็นท่ามกลางคาว่าความติดก็คือความติดด้วยตันหาความติดด้วยทิฏฐิเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นผู้ที่ไม่ติดนะว่า ไม่ติดในถามกลางด้วยปัญญาเนี่ยนะรู้ยิ่งส่วนสุดทั้งสองดังที่กล่าวแล้วก็ไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาไอ้คาว่าความติดนี่นะปกติก็ความติดแบ่งออกเป็นสองอย่างคือติดด้วยตันหากับติดด้วยทิฏฐิความติดเพราะตันหาเป็นไนะการทาเขตการทำเดนการทาส่วนการทาความกาหนดความหวงแหนความยึดถือ โดยส่วนแห่งตันหาว่านี้ของเรานั่นเรานี้ของเราประมาณเท่านี้ของเรารูปเสียงเปลี่ยนรถโพธพภะเครื่องลาดเครื่องนุ่งห่มทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลานาะที่ดินไรนะ่นาเงินทองบ้านนิคมราชธานีแว่นแคว้ น, วนชนบทช้างข้าวคลังของเราโอ้ยมันของเราเท่านั้นน่ะทำไมรถก็ของเราบ้านก็ของเราเสื้อนั่นก็ของเราคุณก็ยังเป็นของเราอย่างนั้นน่นะ คนงานของเราอะนี่ไงนะไล่ไปเรื่อยหาได้ก็ของเราไปหมดเลยนะไม่คุณจูไอ้นนท์ก็ของเราไม่มีของคุณสักอย่างมีแต่ของเราอ่ะอันนี้นี่แหละคนพาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคนพาสําคัญว่านั่นของเราอะนะนั่นนั่นทรัพย์ของเรานั่นบุตรของเรานะ โดยความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีมาแต่นั้นเอาลองสิอะไรก็เป็นของเราหมดร่างกายเป็นของเราไหมเป็นลองลำไส้มันเป็นมะเร็งจะเอาไว้หรือไม่เอาเอ้าวของเราไม่ใช่เหรอเก็บไวส้สิใช่ไหมสมมุติว่าอา้าวตัดผมแล้วก็เก็บไวส้สิถ้ามันเป็นของเราอ่ะไม่เก็บไว้ให้หมดนะใช่ไหมผมน้ําลายอะไรออกไปนี่ออกไปนอกตัวก็เก็บเอาไว้ให้หมดนะเรียกว่าของเราเลย ไม่เอากินขนาดนั้นไม่ได้เอาขนาดนั้นอีกนั่นแหละบุคคลย่อมยึดถือเอามหาปัิีแม้ทั้งสิ้นว่าเป็นของเราบางคนเนี่ยมันยึดเอาขนาดนั้นแันดินเนี่ยทั้งหมดของเราอะก็แล้วแต่นะใครมีแปลงใหญ่ก็ถือใหญ่หน่อยใครมีแปลงน้อยก็ถือแปลงน้อยนะมีไร่หนึ่งก็ยึดไร่หนึ่งอะมันของเราอะก็ยึดไปเรื่อยก็อันนี้เรียกว่าความยึดด้วยามสามารถแห่งตันหากับ ทิถีตันหานี่ก็คือความวิปริตร้อยแปะนะตันหาร้อยแส่วนความติดด้วยทิฐินี่เป็นฉไงก็คือสกาญาทิฐิมีวัตถุ20สเนี่ยนะยึดถือขันห้าโดยความเป็นอัตนั่นแหละส่วนมิจชาทิฐิมีวัตถุสิบก็คือเช่นทานไม่มีพ้นการรักษาศีลไม่มีพ้นบุญบาปไม่มีนะอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิถิส่วนอันตะคาหิกะทิถีมีวัตถุสิบก็คือพวกถือที่สุดนะ โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีว์ก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นเป็นต้นนะเรียกว่าอันตะไคิกะทิฐิมีวัตถุสิบต่อไปก็เป็นปริยุทธานทิฐิปริยุทธาน18ว่าความเห็นความรกชัดคือทิธิทางกันดานคือทิฐิเสี้ยนน้ําคือทิฐิความดิ้นรนคือทิฐิความประกอบไว้คือทิฐิ ความถือความถือเฉพาะความถือมั่นความรูปคลำทางชั่วทางผิดความเป็นผิดลัทเดรัจฉีความถือด้วยสามารถแสวงหาผิดความถืออันวิปริตความถืออันวิปลาดความถือผิดความถือในวัตถุอันไม่จริงว่าเป็นจริงหรือว่าทิฏฐิ62มีประมาณเท่าใดนี้เป็นความติดด้วยทิฏฐิ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 กล่าวสำคัญบอกเห็นบัญญัติภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุุษคือผู้ที่รู้ยิ่งส่วนสุดแล้วก็ไม่ติดในท่ามกลางเนี่ยเป็นมหาบุุษคือเป็นอัคระบุรุษเป็นบุรุษสูงสุดบุุรวิเศษบุุษเป็นประธานอุดมบุรุษบุรประเสริฐท่านภาษาริบุตรได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่ามหาบุุษ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุประมาณเท่าไรเนาะและบุคคลจึงเชื่อว่าเป็นมหาบุรุษพระผู้มีพระภาคเจ้าต่ตอบว่าดูก่อนสาหริบุเรากล่าวว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นผู้หลุดพ้นน่ะเรียกว่ามหาบุุษหลุดพน้นจากอุปาทานเน่นะเราไม่กล่าวว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้น้อมจิตเชื่อ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 ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่จิตย่อมคลายกำนัดด้วยอริยมรรคเนี่ยหลุดพน้นด้วยอริยผลหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยตันหาและทิฏฐิดูก่อนสาริบุตรภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้แหละก็คือเจริญสติปัฏฐานในกายเวทนาจิตธรรมละตันหาอาสวะในกายเวทนาจิตธรรมได้หมด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 ละตันหาเย็บคติเอาไว้ในคติเย็บพบเอาไว้ในพบเย็บวิญญาณทิติเอาไว้ในวิญญาณทิติเย็บสัตว์ว่าดไวในสัตว์วพระพรหันเนี่ยท่านตัดท่านละตันหาเหล่านั้นแล้วอ่างนั้นแล้วก็ตัดตันหาเครื่องเย็บหมดแต่ที่เย็บเนี่ยแต่ที่ตัดได้อย่างนั้นก็ต้องลิมไม่ลืมนะว่าท่านเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรตมีองค์8เพราะเห็นโทษในกรรมเนีะสำคัญมากเนะเห็นโทษในวัตถุกรรมในกิเลสกรรม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 เพราะฉะนั้นหนังเสือชดาผ้ากรองไม้เท้าลักจันน้าผมและนวดของติสสะเมตยพรามหายไปแล้วพร้อมด้วยการบรรลุเป็นผ้าหาันติสสะเมตยพราหมนั้นเป็นภิกษุครองผ้ากาสายะเป็นบริคารสังฆาติบาทและจีวอนเพราะการปฏิบัติไปตามประโยชน์เนี่ยนะเพราะคือพ่อปันปฏิบัติไปตามประโยชน์จริงเพราะท่านบรรลุเนี่ยเพราะท่านอบรมใจศกขาเวลาฟังธรรม